พุทธังสารนังคัจฉามิธรร ม, มังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามินะโมพุทธายะกรมมโตอิมิตังสิวิตังจุติดีใจวันนี้ทุกท่านทั้งหลายได้มารวมประชุมกันณนะสถานที่สาคัญที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สีอธีจัด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 เพื่อนกลัวเพนเกลดพ่นหลาบเกลดหลาบอะไรคือเ่เจ็บตายท่านไม่ปรารถนาต้องการแต่มันก็ค่อยทำไปน่ะเพราะว่าทไปอืมเพราะว่าอืมการเดินทางการบำเพ็ญกุศลเข้าเส้นทางอืมพ้นทุกข์นี่ยมันไปยากอืมเพราะแม่ครูบาอาจารย์ที่เพื่นรับทำคำสอนของพุทธเจ้ามาโปรดพวกเราไม่ใช่ของง่ายง่ายศาสนาของพุทธเจ้าเราสองพันกว่าปีที่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 ยังโชคดีเราได้มาถึงจุดนี้วัางายตายอยู่ในท้องแม่ห้าปีสีปีก็พากัน <c oughs> หูหลนแตกดับจากคันห้าอันนี้เลยแสดงว่าสัต์อย่างอื่นเขาไม่เหมือนพวกเราเขามาสเสวยกรรมก็ใส่ไปตามบุคคลของกรรมของเขาแต่เราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกรรมเหมือนสรุดสังเวชในดวงจิตดวงใจในหูในตาของพวกเรา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 ออกบ้านไปเลยอืเก็เรียกให้ไปรับเอาศพเรียกให้ไปรับเอาไปดูญาติใกล้ลูกไกล้หลานไกล้อะไรเป็นผู้พาธรรมก็คือผลกรรมทั้งนั้นทั้งว่าพวกเราทาั้งหลายได้กินได้ทานกราบไหว้บูชาทำมาตัดอืมเื่อให้ตกทุกข์ได้ยากลําบากเส้นใจก็ให้ตกไปทางทา ง, าทางวิการทางวิการก็คือ มุ่วตาบอดว่าไหวเส้าจิตพิษมนุษย์อืมเพราะว่ามาเกิดเราจะได้ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปชาติต่อไปชาติต่อไปเว่าถ้าเราทําดีในปัจจุบันนี่บางทีเจ็ดชาติพระมาณเจ็ดชาติย่อนลงมาหกห้าย่อนลงมาพบลงมา 3, 4, สามสี่ทั้งหลายก็จะไปในปัจจุบันนี่เลยไปที่ไหนก็ปรารถนาอะไรก็ให้ข้าพเจ้าถึงพระนิพพาน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 มาสอนพวกเราบพุโทโธก็ดีทามโมก็ดีสังโฆก็ดีระลึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หนให้จิตมันจ่ออยู่นั่นใครแย่งไม่ได้เออเพราะว่าทํางานลึกๆนึกอยู่ในในพุโทโธพุโทโธทุกลมหายใจไปทํางานเรามีสติหน้าที่อะไรก็ทําไปอย่างนั้นทําไปก็ได้รับสินเงินทองมาแปรออกได้ทุกอย่างมากินมาทานมาดูจะไปไหนก็สะดวกสบาย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 ผู้ที่อืมมีอั น, นิสงบา ร, รมีมาตามหลังนั่นแหละให้ทานมาตามหลังคนแนะนําให้นั่งให้อืมสะกดอืลดูจิตดูใจคือว่าดูอารมณ์จิตใจมันจะปรุงแต่งไปเอาอะไรคือว่าไม่มีผู้เอาอะไรเพราะว่าอํานาจบา ร, รมีมันถึงกันแล้วอืมให้ดูอืมจิตดูใจในขารนั่งนั่งลงละเย็นนั่งแต่งค่ำพระอาทิตย์ ตกลงไปก็นั่งอะไรจะมาก็สร้างหัวมันเพราะว่ามันสุกยังนั่งได้นั่งผับเพียบก็ดีนั่งจะขัดสมาเธิก็ดีแล้วแต่อนิสัยของใครของมันออถ้านั่งมันสุกแล้วเป็นนิสัยแล้ยอ่ะไปตามลายนั่นแหละธาตุขันนี่ทนทานกว่าเล็กกว่าขางหลวงปู่ว่าเพราะแม่ครูบาอาจารย์นี่พาอดทนลํา <c oughs> ลบากกากรรมมาก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 มันเป็นยาคนคนคารุบเดองใส่มันเป็นยายาดีเหรอต่อมาก็ไม่ไมาเจ็บไม่ปวดอะไรขึ้โอมันเป็นค <c oughs> ำพูดของโบราณศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละย่งว่าได้พรโดนบันดานลงไปนั่นแหละกลับทั้งทา ง, งใต้เราขึ้นไปทางอีสานวะไปถึงอางกาศทางโน้นไปขึ้นเขาพลังกาก็ดีไปบำเพ็ญกุศลอืก็หายไม่เจ็บปวด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 หรือไม่เอาเดินไปหน้าอีกถ้าให้แบบเหมือนพวกเราให้เออง่ายๆแล้วก็สั้นกระสานให้ถึงเวลาท่านบางคนมันก็ว่าอย่างโน้อนอย่างนี้อยู่นั่นเลยอ น, นั้นคือกิเลสทุอ่ากิเลสให้ยากยากเออเอาอะไรให้กันก็ให้ยากยากหาแต่สิ่งตอบแทนทั้งนั้นถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ให้ อ, อืคือถ้าเขาคือพวกเราทั้งหลายให้ให้ทำให้อืมบุญให้กุศลเพื่อจะ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 พ้ออะไรพ้อในบุญในกุศลพ้อในให้ทานรักษาศีลภาวนาเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์เลมแค่ขยับออกไปแยกแยกคนว่าแยกสถานที่แยกไปที่โนวนที่นี่ก็มีแต่ความสุขความจเจริญไปหมดนคนจะว่าให้นั่งดูเวทนาของขันวเนเวลาเก่เวลาเท่าถ้ามันเจ็บก็อดนิดนิดหน่อยๆนอ ย, นอยไปเจ็บมากก็เป็นนอ้อยเพราะว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่เราพาเจ็บ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 ต้องปูใไม่กลัวเอาเลยเขาให้มันหายปวดอย่างไรก็มาหาหมอแล้วให้หมอทำเลยแต่หลงวงตาบัวท่านแก่แล้วหมอไปท่านมาให้ทำเพราะามันแก่แล้วทำไปกับพอกเขานัแหลอมันจะเจ็บไปถึงวันไหนก็ลองดูมันจะท่านก็เจ็บมากจริงๆนะมันบูมขึ้นมันบวมขึ้นไปกราบท่านพราแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เจ็บอยู่บ่ขน้อยโอ้ยก็เจ็บนั่นแลเว้ยคุณว่า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 ฟังเข็มนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็เผาอะไรอีกร่อนนี่ร่อนเออแปลว่าร่อนก็ะช่างว่ามันไม่เหมือนใจร่อนใจเย็นอยู่เอ อ, เ อ, อ, เ อ, อตรงว่าทวโรกนี่ใจธาตุขันอุดมสมบูรณ์หมอดแต่ใจร่อนนี่ไม่เอาเออธาตุขันนี่หมอดูแลธาตุขันให้มันจะร่อนจะอะไรก็ช่างว่ามันแล้วก็จะดูไปอย่างนั้น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 มาถึงเป็นีแปลกนะอากาศเปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติหนาวทางอีสานก็นิดๆหน่นนอยๆบางทีฝนก็พอแค่นั้นเลยแล้วก็จะไ่าลำบากต่อไปอ ม, มันมันเป็นไปได้เพราะว่าธรรมชาติมัมสมนสูญหายไปมากแล้วถ้าพวกท่านรูในบ่องเงินบ่อทองนี่ถ้าเขาส่งของมาไม่ได้ก็ลำบากเหมือนกันนั่นแหละ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 เผยแพ่ศาสนาของพระเจ้าไปบางที่เขาให้นับถือก็สร้างเขาแต่เห็นเขาดีเขาก็ต้องดีนำลหละให้เราดีก่อนออถ้าเราไม่ดีเราทะเลาะผอพิ้งกันถออือศาสนาว่าสูงสุดถ้าเราขอพิ้งกันเขาก็ออว่าเราไม่ถูกต้องเขาก็ไม่ถือเขาก็ไม่ยินดีด้วย <c oughs> ถ้าเราสามัคคีกันนี่ยดีหมดทั่วโลกกาะถัดมาที่ไหนก็โอ้สาวพุทธ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 อดทนเพียนไปอันนี้ของส่วนตัวที่จะนำดวงจิตดวงใจเราห่างจากความเกิดความเก็บความเจ็บความตายอันนี้นะพากันเข้าใจถ้าเอาไปเรื่อยๆมันมกล้าทำไม่เอาอะไรทางศิ์เลยบัรสุดท้ายข้าพระเจ้าพร้อมพอแล้วประจับอะไรก็ติดอันนั้นเป็นทุกขึ้นทันทีนั่นแหละเพิ่ก็เล ย, กกเลยให้เตรียมตัวไม่ให้ยุดให้ถือ แ็กจ่ายฟันกันกินปันลูกปันหลานอะไรมีม า, มากมายกายกองก็เหมือนไม่มีนี่แหละคนที่สลาดมีปัญญาเพร่อจะว่าโลกนี่มันเอาไปไม่ได้จักถะอย่างเลยก็เห็นกันอยู่ตลอดะไปงินข่บทรง ก, การให้กันก็นกไปแค่กองไฟแล้วก็ไปแค่ที่ฝังเท่านั้นแหละนะเมื่อเรายางอยู่เลย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 มันไม่ออกไปบินดาบไปบินบาทเขาไม่ใส่ก็กลัวตายแล้วอันนั้นไม่ไม่ถูกต้องเออแล้วเสียสละไปแล้วไม่มีก็อดบดตายอย่างเดียวเดียวมันก็ไหลมานั่นแหละท่านทั้งหลายพากันทางใจอดทนไปก่อนนะจะเรื่อลุเรื่องในบุญในกุศลสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยปากาลัสะนีสาธุ